พึงพากันสั่งใจเนืกอถึงชีวิตของตนชีวิ ต, วตนี้เป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของแน่นอน่าพากันประมาทก่อนตายเราจะได้ทำที่พึงให้แกเราเต็มที่อม ที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางกายมีอยู่แล้วที่พึ่งทางใจสำคัญมากเพราะว่าจิตหรือใจตรงนี้นะมันจะไม่สูญหายไปเหมือนกับร่างกายเมื่ อ, อยังละกิเลสไม่หมดตราบใดมันทำกรรมมันได้ไว้ ก็จะต้องมีกรรมนั้นนำไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่เมษไม่รู้จักจบจักสิ้นการเกิดบ่อยๆ ย, ย่อมเป็นทุกข์ก็菩าาาารทตาสงร์ตรัสได้ว่าทุกขาชาติปุณปุนันงการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ พุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรพากันพิจารณาให้เห็นทุกข์ภายในสงสารนี่มันจึงจะมีแก่ใจในการทำที่พึ่งให้แก่ตนผู้ใดไม่เหมือนมันไม่มา น, นึกถึงความทุกข์ไปติดอยู่ในความสุขชั่วคราวเพลดิดเพลิน ล่าเริงบันเทิงอยู่ในความสุขชั่วคราวนั่นก็หาโอกาสที่จะสร้างบุญกุศลกล่าว้ยนอบนอบต่อคุณพระสนะใครเอาเป็นที่พึ่งของตนได้ยากเพราะว่าทุกสิ่งหนึ่งอย่างมันมีใจเป็นใหญ่สาเร็จแล้วด้วยใจ เมื่อใจน้อมไปทางโลกสงสารแล้วอย่างนี้มันก็ต้องหางจากในทางธรรมมเป็นย่งั้นถ้าผู้ใดมาพิจารณาเห็นว่าโลกนี้ไม่น่าห่วงไม่น่าห่วงไม่น่ายึดถือเพราะยึดถือได้ก็ไม่ได้ไม่ได้อาศัยโลกนี้ไปนมนานอะไร ไม่ถึงร้อยปีซ้ำก็ต้องจากโลกนี้ไปแล้วผู้ใดคิดเห็นอย่างนี้แล้วก็เห็นแต่จิตตวงเรียวนี่แหละเมื่อสั่งสมบุญกุศลบุญกุศลนี่ก็จะอำนวยผลให้จิตรวงนี้เป็นสุขในภพที่เกิดในชาติที่เกิดนั่นนอื น, น ถ้าสร้างบุญกุศลให้เต็มแล้วเมื่อใดก็เข้าสู่นิพพานเมื่อนั้นก็เป็นอันว่าสิ้นทุกข์สิ้นยากโดยประการทั้งปวงไปเลยดังนั้นพุทธศาสนชนทั้งหลายควรพากาันใส่ใจต่อบุญต่อคุณให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ พอบุญคุณนี่จะติดสอยห้อยตามเราไปทุกแห่งทุกผลจะอำนวยความสุขให้ไปจนกว่าจะหมดเขตแห่งบุญกุศลนั้นนั้นส่วนคุณนั้นเมื่อเราเริ่มใสนับถืออยู่ตราบใดแล้วไม่มีเสื่อมอยอมเป็นที่พึ่งทางจิตใจอยู่อย่างนั้นแหละ ส่วนบุญกุศลนี่เมื่อมันให้ผลไปแล้วมันมันหมดลงเมื่อมันหมดเขตของมันแล้วมันก็หมดลงไปได้อืมแต่ว่ารากเงาของบุญกุศลยังอยู่อย่างที่เคยแสดงให้ฟังมาแล้วคือความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลง อันนี้ท่านเรียกว่ารากเงาของบุญกุศลหมายความว่าใจนั่นแหละไม่โลภไม่โกรธไม่หลงรากเงาของบุญกุศลก็อยู่ที่ใจนั่นเองเมื่อใจไม่รู้อมนาจแก่ความโลภ ค, ความโกรธความหลงแล้วมันก็เป็นใจที่เยือกเย็นและเบิกบานข่องใส ใจหนักแน่นไม่หลงไหลไม่หวนไหลไปตามทางที่ผิดทางใดเป็นทางผิดที่พระพุเทธเจ้าทรงสอนไว้เราศึกษารู้เข้าใจแล้วก็เว้นไม่เดินตามทางที่ผิดนั้นอันคนเรานี่ยนะมันชอบไปทางผิด เนื่องจากความไม่รู้เมื่อมีผู้อื่นมาชักชวนก็เห็นดีชอบไปตามเขาเพราะคาดที่ว่าตนเองเออลดตัวเองลงต่ำถือว่าตนไม่มีความรู้ เ, เห็นผู้อื่นเขาพูดเก่งๆเข้าไปกันเนีเข้าใจว่าเขามีความรู้สูงกว่าเราหรอเขาต้องรู้ดีเราต้องเชื่อ มันไปอย่างนี้คนเรานั่นะเหตุที่จะหลงไหลไปในทางที่ผิดก็เพราะเพราะเหตุว่าไปคบกับคนเห็นผิดเป็นชอบนั่นเองค้าที่ตนก็มีปัญญาไม่ได้สะดับตรับฟังคาสอนของพระเจ้ามวัมวเ ม, ม, ม, มาเต่ดประมาทอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเหตุนั้นจึงได้หลงเห็นผิดเป็นชอบไป เมื่อเมื่อหลงเห็นผิดเป็นชอบแล้วมันคนนั้นควรจะพ้นทุกข์ได้พราะคนเราถ้าเห็นผิดเป็นชอบไปแล้วมันไปทําบาปเรื่องมันนะ่ะไปทําบาปเปรียดเพี้ยนุนคนอื่นสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างเส้นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตวงสวงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆหม่นี้นะ มันก็ทำให้สัตว์เหล่านั้นเดือดร้อนนะใครเกิดมาแล้วก็ไม่อยากตายแต่มันมีอำนาจน้อยมันจำเป็นมันก็ต้องได้ก้มหน้าตายไปเพราะมนุษย์มีอำนาจเหนือกว่าเช่นนั้นแล้วมันจะเป็นทางพ้นทุกข์ได้อย่างไงอะ่ะนั่นแหละต้องพิจารณาดูให้ดีไอ้ทางที่ถูกต้องนะ บรรดาสัตว์โลกทั้งหลายที่คลองอยู่ในโลกนี้มันก็ต้องการคนทุกเหมือนกันกับเรานี่แหล ะ, ะทางที่จะช่วยเหลือเขาเรานั่นได้เราเป็นมนุษย์นะเราก็ทำบุญทำทานการกุศลต่างๆให้เกิดมีขึ้นในใจแล้วเราก็อุทิศน้ำใจอันประกอบไปด้วยบุญกุศลนั้น ให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายทั้งที่เป็นมิตรทั้งที่เป็นศัตรูก็ไม่ลำเอียงขออุทิศให้หมดนัแหละถ้าใครอยู่ในฐานะที่จ ะ, จะได้รับอนุโมทนาส่วนบุญกุศลนี่ก็ขอให้ได้รับอนุโมทนาแล้วให้พ้นทุกข์ถึงสุขกเกษมสารอย่ามีเวรมีภยัยอย่าอาฆาตจองเวรกันต่อไป นี่ทางที่ดีแล้วเราทำบุญกุศลและอุทิศไปให้อย่างนี้แหละมันถึงเป็นประโยชน์โยดแกผู้วายชนไปสู่โลกหน้าผู้ยังคลองอยู่ในโลกนี้คนไม่เข้าใจอย่างนี้นึกว่าสิ่งที่คลองอยู่ในโลกนี้เป็นผู้วิเศษสิ่งที่มองไม่เห็นโดยตาแต่เล่ากันสืบๆ ม, มาว่ามีอย่างนี้แล้วก็เชื่อไป นึกว่าสิ่งที่มีฤทธิ์มีเดชอันนั้นน่ะถ้าเราไม่พินกผิดนอบไม่นอบน้อมไม่บนบานสารกล่าวแล้วเขาจะมาเบียดเบียนเอาเลยเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาขายเหตุมูลเหตุที่บุคคลเราจะได้หลงไหลไปนับถือผิดผิดไปอย่างนั้นนะแค่ที่จริงแล้วการบวงสวงไม่มีประโยชน์อะไร แกคู่วายชนไปสู่โลกหน้าแม้จะมีจิตวิญญาณคล่องค้างอยู่ในโลกสงสารอันนี้ก็ตามนะมันก็ว่าพวกผูดพีพีฉาดเทวดาอะไรมันก็ไม่ไม่ไม่รับประทานอาหารของมนุษย์รับประทานไม่ได้มันคนละชั้นกัน ต่างคนต่างก็ได้สวยผลบนผลกรรมผลบาปกรรมแห่งตนที่ตนทําเอามาเอาไปตั้งแต่ยังเป็นมนุษย์นี้นั่นแหละขอให้เข้าใจไม่ใช่ว่าเขาไม่มีอาหารกินนะเขาก็มีโย่แต่บางกรรมเขาตกแต่งให้ถ้าพวกเปรตอย่างนี้ก็มีแต่อาหารเร็วๆท่านกล่าวไว้ในตําราอพวก อาสุรกายก็เหมือนกันเนี่ยเป็นงานพวกสัตว์นรกยิ่งไม่มีอาหารจะกินซ้ำเลยมีแต่น้ำร้อนน้าร้อนร่วงไฟเผา ต, ตายแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่อีกอยู่อย่างนั้นแหละไอบ้บาบกรรมนั่นแหละเป็นอาหารของสัตว์ทั้งหลายนะ่ะมันเป็นอย่างนี้ต้อพิจารณาให้มัน เข้าใจโดยปัญญาของทนโดยแจมแจ้ ง, จงอพอผู้ใดพี่นาาเห็นอย่างนี้แล้วก็เชื่อว่าเป็นผู้ดำเนินตามทางที่พระศาตราทรงแสดงไว้ข้อที่ว่าเมื่อญาติผู้ใดผู้หนึ่งไอว้ทนไปสู่โลกหน้านั้นผู้อยู่เบื้องหลังไม่ควรเศร้าโศกเสียใจร้องให้ลำไล จนเกินไปเพราะไม่มีประโยชน์อะไรการร้องไห้ลำเลหาผู้ตายไปทางที่มีประโยชน์ที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ตายได้ก็ทาบุญถวายทานแด่ท่านผู้มีศีลอันบริสุทธิ์มีความเห็นในธรรมอันถูกต้องตรงไปตรงมาฮะ อย่างนี้แหละได้ทำบุญถวายทานแก่ท่านผู้ทรงศิลทรงธรรมอันบริสุทธิ์เช่นว่านี้นะบุญกุศลก็แรงอุทิศส่วนกุศลนั้นไปให้แก่สรรพสัตว์โลกทั้งหลายดังกล่าวมานั้นก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ว้ยชนไปแล้ขอ็เป็นการตอบบุญแทนคุณ ท่านผู้วังเกิดเกล้าเช่นมารดาบิดาหรือผู้มีอุปาการะคุณอื่นๆเช่นครูบาอาจารย์และเจ้านายผู้รักษาปกปักรักษาประเทศชาติบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขไม่มีศัตรูมารุกรานไม่ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของชาติอื่น เจ้านายนี่ก็คือว่ามีคุณต่อประชาราษฎรไม่ใช่น้อยเราต้องนึกถึงท่านผู้มีอุปก า, ารักคุณเสียก่อนเมื่อมองเห็นอ๋อท่านเหล่านั้นท่านผู้นั้นเป็นผู้มีอุปก า, ารักคุณแก่เราอย่างนั้นอย่างนั้นแล้ววันนี้เราขออุทิศส่วนบุญกุศลอันนี้ให้แก่ท่าน ข้างหลายที่กล่าวนามมานั้นเมื่อท่านไปตกทุกข์ไดย้ยากลำบากอยู่ที่ไหนก็ขออำนาจบุญกุศลอันนี้จงโดนบันดาลให้ผ่าน่านพ้นจากทุกข์ให้ถึงซึ่งความสุขตามคติวิสัยของตนของตนเถิด เรานึกคิดอุทิศส่วนกุศลที่ทำมาแล้วนั่นให้อย่างนี้แหละจึงชื่อว่าเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและทั้งแก่ผู้อื่นดังกล่าวมานั่นเป็นประโยชน์แก่ตนเพราะว่าตนปรรบถึงเรื่องท่านผู้มีอุปการรักคุณทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้ว แล้วก็คิดอยากให้ทำบุญอุทิศให้ก็ไม่ใช่ว่าได้ตั้งแต่ผู้อนุโมทนาส่วนบุญเท่านั้นไอ้ผู้ที่ทำมันก็ได้อยู่ทาไมจะไม่ได้เพราะเจตนาเป็นกุศลแล้วเจตนาหังกุญงวดามิเราสถาคตกล่า ว, ว่าเจตนาดีนั่นแหละเป็นตัวบุญนี่ เมื่อจิต ด, ดีใจดีใจคิดไปทางบุญทางกุศลแล้วความคิดอันนั้นเป็นตัวบุญเกิดขึ้นในความรู้สึกคือดวงจีต น, นั้นดังนั้นแหละแต่ขอให้พากันเข้าใจไว้ว่าการอุทิศส่วนบุญกุศลไปนี้มันไม่หมดไม่สิ้นลอกอ เหมือนอย่างน้ามันออกบอ่อเมื่อมันบอ่อนั้นมันมีสายน้ําใหญ่อยู่แล้วมันก็ออกเรื่อยตักเอามาเท่าไรตักเอามาใช้มาสอยเท่าไรมันก็ออกมาเท่าเก่าอยู่อย่างนั้นเป็นเสียแนานไปนานไปแล้วมันอาจหมดได้สายน้ํานี่นะอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละไอ้บุญกุศลที่ เราทำแล้วอุทิศไปให้แก่ท่านผู้มีพระคุณหรือผู้ที่เป็นมิตรเป็นศัตรูก็ตามหล่ผู้ใดได้รับอนุโมทนาแล้วเขาก็สเสวยผลบุญอันนั้นไปตามกำลังของบุญที่ได้รับอนุโมทนานั้นจะพึ่งอานวยให้ได้เท่าไรบุญนั้นหมดไปแล้วความสุขอันนั้นก็หมดไปตามกันมันก็เป็นอย่างนี้แหละ ชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมันเนื่องอยู่ด้วยบุญกรรมบาปกรรมดังกล่าวมานีเพราะฉะนั้นน่ะเมื่อผู้ใดยังรู้ตัวว่าตนจะต้องได้เกิดอีกอยู่เพราะละทิเลจยังไม่หมดเช่นนี้ก็อย่าพากันประมาทให้รีบเร่งประกอบกุศลคุณงามความดี ไปเรื่อยๆจนปวดชีวิตจะหาไม่ไอ้อย่างนี้แหละก็ น, นับว่าผู้นั้นน่ะเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตอัตภาพที่ตนได้มาด้วยบุญคุณศรตกแต่งให้อืมบุญคุณศรตกแต่งให้จึงได้มาเกิดเป็นคนอ่า ขอให้เข้าใจถ้าบาปตกแต่งให้มันไม่ได้มาเกิดเป็นคนไปเป็นสัตว์นรกไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายหรือไปเป็นสัตว์ที่ไรฉานไปเกิดในภูมิทั้งสี่นี่แหละภูมิใดภูมิหนึ่งถ้าผู้มีบาปมากกว่าบุญนะมันเป็นอย่างนั้น ้าผู้ใดมีบุญมากกว่าบาปก็มาเสวยผลของบุญชะกอนถ้าไม่ไปเป็นเทวดาก็เกิดมาเป็นมนุษย์บุญกุศลอันนั้นเอานวยผลให้บางทีมันก็เอานวยผลให้จนตลอดชีวิตเมื่อบุญมันหลายบาปที่ทำมานั้นมันไม่มีโอกาสมันก็ยังให้ผลไม่ได้ ที่ท่านเรียกว่าอัปราราะเวทนิยกรรมแปลว่ากรรมให้ผลข้ามภพข้ามชาติอย่างนี้ต่อเมื่อบุญที่อานวยผลนี้มันหมดลงเมื่อใดบาปนั้นมันอํานวยอานวยผลให้เมื่อนั้นให้เข้าใจอย่าไปนึกว่าบาปที่ตนทำมานีมันหมดไปแล้ว มันจะไม่ตามไปให้ผลอีกต่อไปถ้าตนนั้นไม่ยอมสารภาพว่าตนทําบาปจริงไม่ได้อธิษฐานใจละเว้นจริงๆเช่นนี้บาปนั้นมันย่อมติดตามไปแม้น้อยหนึ่งมันก็ติดตามไปไอ้ที่บาปมันไม่ติดตามสนองคนได้นั่นเนื่องจากว่า เป็นผู้รู้ว่าตนได้ทำบาปอย่างนั้นจริงและยอมสารภาพผิดแล้วตั้งคิตอธิษฐานไม่ทำมันต่อไปอีกและตั้งหน้าทำแต่บุญกุศลฝึกฝนจิตใจให้สูงส่งขึ้นไปไม่ให้อกุศลด้วยตกต่งางๆบางเกิดขึ้นในใจให้แต่กุศลด้วยตกเท่านั้นบางเกิดขึ้นหมายความว่าเราคิดนึก ไปแต่ทางบุญทางกุศลเท่านั้นทางบาปไม่คิดไปบุคคลมาพยายามบำเพ็ญทาง จ, จิตใจสอนใจของตนให้ชื่นชมยินดีในบุญในคุณแล้วสั่งสมไม่เกิดให้มีขึ้นในตนเสมอไปไอ้อย่างนี้นะบาปที่เป็นละหุกรรมกรรมเบานั้นจะติดตามไม่ทันจะเป็นอโหสิกรรมไบได้ นี่ต้องให้เข้าใจในะวิธีล่าบาปอะ่ะถ้าละไม่ถูกวิธีมันก็ไม่หมดบาปกรรมทั้งหลาย ừ. บางคนได้ทำบาปมาแล้วรละลึกไม่ได้เลยปฏิเสธไปหมดหมเราไม่ได้ทำบาป ừ, อย่างนี้แล้วก็เมินเฉยเสียไม่เอาใจจดจ่อไม่คิดอธิษฐานใจโยจะละ ละเว้นไม่ทำมันได้อีกต่อไปไม่คิดไม่อธิษฐานใจอย่างนี้ล่ะนั้นแหละบาปมันก็ติดต้อยห้อยตามเลื่อยไปมันได้โอกาสเวลานหนมันก็ให้ผลเป็นทุกเวลานั้นท่านอุปมาไวเหมือนอย่างสุนัขไลเนื้อเมื่อไปทันเอากลางวันมันก็กัดกลางวันนั้นเมื่อไปทันเอาเวลาพกข้ามมันก็กัดเอาเวลาพกขา มันทันเอาเวลากลางคืนมันก็กัดเอาเวลากลางคืนนี่ฉันใดกรรมเวทที่บุคคลกระทำแล้วนั้นมันติดสอยห้อยตามไปบางทีมันก็ให้ผลเวลายังหนุ่มแน่นก็มีบางทีมันหยุดไปอยู่ไปถึงวัยกลางคนมันจึงมีช่องทางให้ผลเป็นทุกข์ได้ก็มี บางทีมันก็ให้ให้ผลเอาตอนชลาภาพทนแก่เท่าชลาคนบางคนนะ่ะเวลาเท่าแก่ชลามามากแล้วลูกหานกระทอดทิ้งตนเองก็ทำการทำงานไม่ได้ถ้าเขาเลี้ยงดูก็เลี้ยงไปเพียงแต่ขอไปทีจะให้อิ่มน้ำสำรานไม่ค่อยมี พ่อแม่เช่นนั้นก็ได้รับความทุกข์ยากลำบากเรื่อยไปจนกลัวจะตายนี่แหละอย่าไปโทษลูกหลานโทษตัวเองดีกว่าว่าตนเองไนชาติก่อนโน้นน่ะไม่สงเคาะสงหาลูกหลานเท่าที่ควรปล่อยให้เขาทกทุกข์ได้ยากลำบากอย่างนี้ เขาก็เมินเฉยต่อมารดาวิดาพอเห็นว่ามารดาวิดาไม่เมตตากรุณาไม่ดูแลอย่างนี้นั้นแหละกรรมนั้นแหละติด ส, สอยห้อยตามมาเมื่อม า, มาเกิดในชาติปัจจุบันกรรมนั้นมันตามให้ผลก็โดนบันดาลให้ลูกหลานญาติมิตรเบื่อนายไม่ค่อยจะเหลียวแลอืม แล้วก็คงเคยเห็นกันมาอยู่ดา ด, ดินดังนั้นน่ะเมื่อทราบอย่างนี้แล้วสำหรับผู้ครองเลือนก็ต้องมีสติมีปัญญามีความขยันขันแข็งขวนขวายหาทรัพย์สินเงินทองเข้าของให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อเลี้ยงดูฟูเสือลูก เท่าที่เกิดมากับตนนอกจากนั้ น, นก็เลี้ยงสงเคราะห์ญาติมิตรพี่น้องที่เกิดร่วมวงร่วมทกุณเดียวกันหากเห็นว่าใครทกทุกข์ได้ยากแล้วก็คิดช่วยเหลือไม่หวังผลตอบแทนอะไรอย่างนี้แหละผู้ที่มีจิตใจเปลี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาอย่างนี้นะ่ะ แม้จะไปเกิดไปในภพใดชาติใดก็มีบริษัทบริบาลจงรักภักดีรักใคร่นับถือมากลูกหลานก็ยิ่งเคารพนับถือพ่อแม่มากด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่พ่อแม่ทำมาแต่ชาติก่อนนั่นเองมันสมกับคำที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ว่าใครทำกรรมอันใดย่อมได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นนี่แหละให้คิดดูให้ดีมันก็ถูกต้องทีเดียวแล้วดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจพิจารณาให้รู้ให้เห็นตามที่แนะนำสั่งสอนมานี้ ให้รู้ให้เข้าใจแนวทางปฏิบัติแล้วก็ลงมือฝึกกายวาจาใจของตนนี่ให้เป็นไปตามธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าดังที่นำมาแสดงให้ฟังนี้โดยสรุปใจความแล้วก็ว่าทุกคนต้องมานึกถึงชีวิตอันนี้ว่ามันมีน้อยนิดเดียว อยู่ไปไม่ได้นานเลยหมดบุญหมดวาสนาที่ตนทำมาแต่ก่อนแล้วอยู่ไม่ได้ต้องแตกดับทำลายจากโรคนี้ส่วนร่างกายนี้ถูกไฟเผาก็เหลือแต่เท่ากับกระดูกเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นส่วนดวงวิตนี่ทำกรร ม, มันว้กรร ม, มนักคนนำพาไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ สเสวยถ้าทำบาปมากก็สเสวยทุกมากถ้าทำบุญมากก็ได้สเสวยสุขมากเมื่อหมดสุขแล้วก็ได้สเสวยทุกข์เพราะบาปที่ตนทำให้เข้าใจอย่างนี้ดังนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะหาทางเว้นจากการสร้างบาปสร้างอากุศลต่างๆ มีปาณาติบาตเป็นต้นมีสุรามีไรเป็นที่สุดก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วปเจเวนจากาบาปกรรมทั้งหลายเหล่านี้จะไม่ทําเพราะตนเบื่อทุกข์ไม่ต้องการทุกข์ถ้ายังจะต้องเกิดอีกอยู่เกิดตปชาติใดพบใดก็ขอให้มีความสุขความเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภะระ ปฏิพานทนสารสมบัติขอให้มีอายุยั่งยืนนานนีผ่ผลสุดท้ายโดยอำนาจบุนกุศลที่ทำนี้ก็ขอให้ตนได้บรรลถุถึงพึงพระนิพพานอันเป็นจุดหมายปลายทางแห่งชาวพุทธทั้งหลาย กับพึ่งพากันดำริในใจอย่างนี้เนี่ยโอวาทที่แนะนำมาในวันนี้ก็มีความประสงค์ที่จะให้ผู้ฟังทั้งหลายนั่นนะเพืจกิตใจดวงเดียวนี่แหละให้มันเชื่อมั่นในบุญในคุณเอาเป็นที่พึ่งของทนไว้เอาเป็นที่พึ่งของกิดใจส่วนร่าง ก, กายนี่เราพิจารณาทุกวันทุกวัน เราก็รู้ไม่ได้เลยว่ามันจะแตกกระดับทําลายไปเมื่อไรไม่มีใครมาบอกร่วงหน้าเลยอ่าเป็นอย่างนั้นดังนั้นจึงต้องเตือนตนเสมอเสมอเมื่อผู้ใดละบาปได้สั้งหน้าสั่งสมบุญกุศลให้เต็มความสามารถของสงฆ์ตนแล้วอย่างนี้ก็นับว่าไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นคน แล้วก็ได้มานับถือพุทธศาสนาได้ปฏิบัติตามพุทธโอวาทศาสนาให้เต็มความสามารถของตนของตนอย่างนี้ก็จะต้องได้รับผลคือความสุขความเจริญยิ่ยงยิ่ยงขึ้นไปดังแสดงมา